เพื่อนที่ครบค่าขณะ น, นี้ท่านกำลังฟังรายการสัมมนีสนทนานะคะถานนิวทิวครอบครัวข่าวค่ะก็นําเอารายการของเรามาพบกับท่านเป็นประจําอยู่ทุกวันจันทถึงวนันศุกร์นั่นเองก็ดีใจนะคะเวลาไปเจอคนที่ฟังรายการนี่ล่าสุดไปเรียนหลักสูตรใหม่หลักสูตรมศ ส, สามนั่นก็เป็นการต่อ ย, ยอดอ่าจากหลักสูตร ของวิทยาลัยป้องกันราชาณาจักรแล้วก็ได้ไปพบกับนักศึกษาท่านหนึ่งท่านก็มาทักบอว่าอืจมรายการฟังทุกวันเลยตอนตีห้าอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าทําให้มีกํำลังใจ่ในไรก็ตามรายการนี้ก็หวังว่าเราคงจะทําให้ท่านได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ที่บางครั้งท่านอาจจะไม่มีเวลาที่จะเข้าไปหา ด้วยตัวเองใช่ที่ว่าเป็นการค้นคว้าถนัดที่จะฟังมากกว่าอย่างอื่นที่นี่นะคะ f อเรอยเราก็มาพบกันเป็นประจำแล้วก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นในทุกขณะที่ท่านฟังนะคะมาถึงอีช่วงหนึ่งนะคะเรามาพบกับ ก, บการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวชนะกับพระอาจารย์ไพบู์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธา น, นีกันค่ะน้องสกงังคทั้นคะเยียบานค่ะพูดถึงเรื่องที่ ปรากฏกันอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ดิฉันเองแต่ว่าไปก็ยินดีนะคะที่เห็นปีนี้เนี่ยมันจะมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสำคัญกับผู้ที่ประพฤติอยู่ในคุณธรรมความดีเมื่อลายสัปดาห์นะคะีค่ะเพิ่งฟังว่ามีโครงการที่จะ ให้คนที่มีจิตสาธารณะมีโอกาสใช้คุณสมบัติอันเนี้ยอืมประกอบกับการที่จะเพิ่มคะแนนให้กับตัวเองให้กับผู้ที่จะรับเราเข้าทำงานเข้าพิจรารณาเราสายคะแนนระับนี้เป็นวัดยังไงล่ะเอะเขาบอกว่าก็อาจจะมีะผลงานเชิงประจักษ์ที่ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประเภทที่เรียกว่าเป็นจิตอาสาเป็นเข้าใจายอย่างนั้นนะคะเขาค่อจะไปทำสัญญากับ องค์กรเครือข่ายที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ในขณะเ mm hmm. ดียวกันก็ทํากับองค์กรการศึกษาด้วยนะคะ mm hmm. ว่ า, าให้ใช้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้การศึกษาแล้วก็ไปกลมเกลาแล้วก็จบออกมาด้วยคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติพิเศษในเป็นเงื่อนไขในการจบอะคะ่ะเขาบอกว่ามีสถาบานันหลายสถาบันร่วมเข้ามาด้วย แล้วก็ดิฉันก็เพิ่งได้ฟังจากท่านรองอธิการบดี ม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท, าท่านกิการนักศึกษาค่ะท่านก็บอกว่าในการศึกษาของปีการศึกษาถัดไปเนี่ยเซ็นโดยคัดเลือกผู้มีจิตสาธารณนะจิตอาสานะคะเ <ừng> ขาเรียกว่าจิตอาสาเป <Janet> ็นองค์ประกอบฟังดีไหมคะอืมก็ก็ก็ดีมกันเนาะแต่มาว่าก็เียบดีมกันมันมันจะช่วยส่งเสริมทีนี้อยากจะกล่าวเรียนถามท่านนะคะ ว่าจิตอาสาจิตสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ า, อามองในแง่ของธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเข้ากับเรื่องไหนอย่างไรหรือไม่เป็นกุศลหรือเปล่าคะก็คงจะต้องเข้ากับเรื่องของพรหมิหารสี่หมวดของกรุณาเมตตาอุเบกขาพวกเนี้ยน ะ, ะที่ว่าเรามีความช่วยเหลือมีใจที่จะช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์แต่คนอื่นมีความทุกข์อยู่เนี้ยเราก็ไปช่วยกันทีนี้ว่า เวลาที่เราไปช่วยเนี่ยมันก็จะต้องมเอีเรียกว่าเวลาไปทำเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนด้วยใช่ไหมเป็นคนที่ไปทำนี่ก็ต้องมีอดทนด้วยแล้วก็ไปทํานี่อย่างบางทีเราต้องออ ก, ออกเงินด้วยเป็นคนก็จะมีการให้ทานด้วยมันก็จะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันซึ่งถ้าเราจะพูดรวมๆตรงนี้เลยเนี่ยก็จะมารวมกันจุดที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือมีความคิดในทางตำรีออกจา ก, การความคิดในทางาไม่เบียดเบียนความคิดในทาง ไม่หมอไม่ปองร้ายก็จะเป็นลักษณะนี้ด้วยก็ได้ทีนี้ไอ้หมวดธรรมที่พูดถึงสมาสังกปะตรงเนี้ยพระเจ้าเคยบอกว่าจะเป็นหมวดธรรมที่ทําให้สามัคคีกันด้วยอย่างสมมติคนก็จะไปช่วยกันอย่างจริงใจอย่างเงี้ยอย่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เข้ามาทําช่วยจิตอาสานี่เขามีเจตนาแอบแฝงอะไรไหมเขาไม่มีเจตนาแอบแฝงแน่นอนเราจะรู้ได้ไง ก็อยู่ที่สามสามอย่างถ้าเขาละทำสามอย่างนีนะ้คือเรื่องการปฏิบาทเปิดเบี่ยนถ้าเขาละสามอย่างนี้แล้วมีอีกสามอย่างนั้นคือความหลีกออกจากการความไม่มุ่งร้ายแล้วก็ความไม่เบียดเบียนนะละสามอย่างนี้มีสามอย่างนั้นแน่นอนเลยว่าเขาจะไม่มีฮิดเด้นเซนดาไม่มีเจตนาแฝงอืมเราจะดูได้ตรงนี้ค่ ะ, ะเพราะงั้นการการะทําของเขาก็จะเป็นการการะทำที่บริสุทธิ์อ่ะทีนี้ถ้ายกตัวอย่างแบบเป็นรูปธรรมหน่อยนะคะ สมมุติว่าจิตอาสาประเภทที่พอเห็นใครเขามีความทุกข์ความเดือดร้อนตัวเองพอจะอปเป็นประโยชน์อะไรได้ไปถึง ก, ก็ก้มหน้าก้มตาช่วยสังคมแบบเงียบเงียบงงเงินเงินเลยนะ <c oughs> ไม่หวังอะไรเลยอคือได้มาช่วยไม่รู้ละฟ้าดินจะเห็นหรือเปล่ามันจะได้ประโยชน์อะไรหรือไม่ก้ ม, มหน้าก้มตาทําอย่างเดียวได้บุญสิได้บุญแน่นอนอืมค่ะกับบางประเภทอันนี้ก็ช่วยด้วยใจเหมือนกันนะคะแต่ว่า ก็ต้องการให้โลกรู้มีทีวีออกซักหน่อยแหมดีมาก อ, อกับอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้ไปช่วยด้วยใจเท่าไหร่แต่ถึงเขาช่วยช่วยกันไม่ช่วยก็น่าเกลียด อ, อืแล้วช่วยแล้วต้องยิ่งใหญ่หน่อยอย่างเราอะเล็กๆล็กไมใ่ใหญ่ๆถึงจะทออํานะครับหมดเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขอมีข่าวมันต่างกันไหมคะสามกรณีนี้ในเรื่องของกุศลผ ล, ลบุญเ อ, อ่เ อ, อเรื่องของการที่ทําตรงนี้อนะผู้เช้ารวมมันไว้ในการให้ทานการให้ทานในที่นี้ก็คือหมายถึงออกแรงด้วย นะแล้วก็ถ้าผมว่าเราไล่กันมาพระพุทธเจ้าเคยไล่ตามลําดับของการให้ทันลักษณะ น, นี้ที่มีผลมากหรือผลน้อยนะก็ไล่ตั้งแต่ผลน้อยๆเนี่ยคือทำแล้วหวังผลเนะช่นทำแล้วชั้นหวังรวยอย่างนี้ทำแล้วชั้นหวังชื่อเสียงอย่างนี้ก็จะได้ผลน้อยนะถ้าได้หวังผลมากที่สุดก็คือทําเพื่อเป็นการปรุงแต่งของจิต คือพระพุทธเจ้าจะไล่ขึ้นมาปรารภจากเหตุก่อนถ้าคุณปรารภเหตุคือกรรมคุณอันนี้คุณจะได้น้อยถ้าคุณปารภเหตุคือพ่อแม่คุณอันนี้คุณจะได้มากขึ้นมาหน่อยคือบางคนคิดว่าเออพ่อแม่ฉันก็ทำนะฉันก็เลยไปทําด้วยแต่พ่อแม่ฉันก็เคยให้ทานมาฉันก็ให้ด้วยแต่นี่แสดง ว, ว่าคุณจิตสูงขึ้นมาหน่อยแต่แล้วก็ถ้าคุณปารภสิ่งที่เป็นบรรพบุรุษของเราเนี่ยถ้าเคยํามาพระพุทธเจ้าพูดถึงพวกฤาษีอะไรต่างเนี่ยนะที่เขาให้ทานไะนั้นฉันจึงให้ด้วยนนี่จะไดุ้้มมาากกขึอ เพราะปลารพบคนที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็มากที่สุดเลยเนี่ยก็คือปลารพบทวา่าเป็นทําเครื่องปรุงแต่งอทีไอ่ได้น้อยกว่านั้นได้น้อยกว่าที่นึกถึงพ่อแม่จึงไปทําเนี่ยก็ด้วยความระลึกที่ว่าบุคคลพวกนีชชช้ช่วยตัวเองไม่ได้หรือพวกช a m a พวกนี้เขาทาอาหารกินเองไม่ได้เลยให้ทานเขา่ก็จะไล่มาระดับระรับตรงนี้่นะอ๋อ น, นี้น้อยกว่านึกถึงพ่อแม่เหรอใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทํา เพราะฉะนั้นถ้าเราทําด้วยจิตที่เรียกว่าเออแม่มันมันควรจะช่วยสังคมนะสังคมชาวโลกนี่มันจะไปได้ด้วยการกระทาอย่างนี้ อ, อังคันจะไปทําอันนี้ดีมากได้บุญมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเกี่ย ว, วข้องด้วยเรื่องของอารมิตเลยไงคุณอยงติ๋วเนื้อเขาจะไม่มีเกี่ยวกวับข่าวไม่มีเกี่ยวกวับใครข่าวมีไม่มีชังกระทําเพราะฉนั้นคือถ้าเราสร้างเงื่อนไขามากเกินไปในการที่เราไปทำเนี่ยนะคุณก็จะเรียกว่าได้บุญน้อยลงไป ะจะพูดอย่างนั้นก็ได้เนาะนี่มไม่ได้พูดหมายความว่าใครทําดีแล้ ว, วทีวีออกแล้วคุณผิดนะคะคือกำลังจะวิเคราะห์หมือถึงบางคนเนี่ยเขาทําดีทีวีไปออกเขาเองนี่ใช่ใช่ใ ช, ใช่ไหมคะไม่ใช่เขามาจ้องว่ากล้องส่องมาหรือฉันต้องไปอยู่ในมุมนี่ให้กล้อง อ, อะไรเงี้ยเป็นเรื่องนะคะอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของแต่ละคนด้วยคือการออกกล้องออกทีวีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือเราเอาความดีของคนอื่นเนี่ยมาเปิดเผยให้ปรากฏเนี่ยคุณเป็นคนดีนะ เพราะฉะั้นถ้าคุณเป็นสื่อใช่ไหมคุณไปถ่ายเรื่องความดีคนอื่นเนี่ยแล้วเอามาประโคมเลยนะแม่คุณเป็นคนดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะที่ันเองก็มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นะค ะ, ะพูดถึงเรื่องว่าจะทำอะไรใหม่ๆได้ก็ปรารถกันว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่ในในการข่าวเนี่ยเพิ่มน้ำหนักข่าวดีขึ้นมามาก ๆ, ๆ นะคะเพราะว่าบอกว่าเนี่ยมันเป็นความแตกต่างนะบางทีเราอาจจะคิดว่าคนเ็าชอบข่าวไม่ดีหรือว่าข่าวที่มันเป็นเรื่องที่วื้หว้าใช่ชาอย่างเงี้ยนะค่ะค่ ะ, ะแต่จริงๆก็ไม่รู้นเป็นยังไงนะคะเพียงแต่ว่าเราอยากรู้ว่ามันทาได้จริงหรือเปล่าแล้วก็คนที่เผยแพร่เนะะี่ยค่ะเขาจะได้อะไรในแง่บุญกุศลมีไหมคะเผยแพร่ข่าวดี เผยแพ่ข่าวดีเราจะได้จิตที่เป็นกุศลเพราะว่าจิตเราถ้าตรึกตรึงในทางใดๆมากจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นอเพราะฉะนั้นจิตเราถ้าเราดูแต่ข่าวดีเอาข่าวไม่ดีเราทิ้งไปเราเลือกแต่ข่าวดีๆขึ้นมาเนี่ยจิตของคุณคนทำแน่นอนคุณเป็นกุศลค่ะอะที่เขาจะทําอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นประโยชน์ของการที่เอากุศลธรรมมาม า, ม า, ม, ามาเผยแพร่นะคือคนที่ไม่ทำเพ่าะอะไรเ อ, า, อางนี้จะพูดได้ไหมคุณโยมติว๋วถ้าเราพูดถึงคนที่เขาไม่ทําอย่างนี้เพราะอะไร คือเพราะว่าเขาไม่เห็นประโยชน์ไงเขาไม่เคยได้รับความสุขที่เกิดจากการไม่พูดเรื่องการไม่พูดเรื่องพยาบาทไม่พูดเรื่องเบียปลี่ยนเขาไม่เคยเห็นอั น, นิี้ทรงของการที่มีความสุขประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยพวกนี้เลยค่ ะ, ะไม่เคยเห็นโทษของสิ่งที่เป็นการพยาบาทเปลีป่ยนเขาจึงไม่ทําค่ะแต่บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันโลกทุนนิยมมันก็อยู่ได้ด้วยการที่จะต้องมีทุนมีกําไรแล้วก็มีความเชื่อหรืออาจจะผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่า มันจะต้องขายเนื้อหาในลักษณะนี้เท่านั้นถึงจะทำให้มีคนมาซื้อแบบเต็ม อ, อกเต็มใจซื้อมันเป็นเรื่องกำไรขาดทุนอันนีเน้เป็นข้ออ้างของกามอยู่แล้วที่พูดออกมาทั้งหมดนั่นนหะคือกามเรื่องกำไรขาดทุนเอากำไรขาดทุนไม่มีปัญหาคุณกาไรขาดทุนได้แต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องว่ า, เ, าเราจะต้องอยู่ได้เราจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เ, เอาความดีอยู่ที่ไหนมาตรฐานอยู่ตรงไหน ใช่ไหม น, นี่ก็เป็นความเห็นของคนพูดค่ ะ, ะดิฉันเข้าใจว่ามีคนกําลังพยายามจะทําในสิ่งนี้อยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเพราะว่าอ่านาคร่าวๆม่นเหมือนกับให้เปิดมาที่นี่จะมีข่าวดีๆให้ดูอะไรเงี้ยนะคะอืมค่ะ ก, ก็ก็สามารถทําได้ทําได้วดีคือหมายว่าถ้าเราเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมและเราเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ดีมากๆขึ้นเนี่ยเราสิ่งทาําบ่อยๆทายําบ่อยๆเนี่ยเราจะน้อมไปในทางนั้นไง ค่ะสัปดาห์นี้เห็นท่านพูดถึงเรื่องสัมมาสังกัปปะมาสองวันและอยากจะกราบเรียนถามว่าเท่ากับท่านกำลังจะบอกยรืงไงคะว่าในบรรดามัชมีองค์แปดทั้งหมดสัมมาสังกัปปะเนี่ยดีที่สุดสำหรับเราจะนำมาปฏิบัติง่ายที่สุดสำหรับเราจะนำมาปฏิบัติหรือ ว่าเป็นอย่างอื่นค่ะสมาสังกปะนี้ก็ทําได้คือมันจะมาด้วยกันกับเรียมากมีออื่นๆหมายความว่าถ้าในความเห็นของเราเนี่ยถ้าเรามีความเห็นว่าเออฉันควรจะต้องทําสมาสังกปะนะอันนั้นเป็นสมาธิใช่ไหมแล้วก็ไอสมาธิที่จะเกิดขึ้นนะตรงนี้ถ้าทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้นั่นก็จะเป็นสมาสมาธินะแล้วก็ความเพียรที่คุณเอามาใช้ในการที่จะละมิจฉาสังกปะทําสมาสังกปะให้เกิดขึ้นความเพียรตรงนี้ก็เป็นสมาวายามะ ในขณะที่คุณกำลังมีสัมมาสังกปะเนี่ยกายวาจาแล้วก็อาชีวะก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่ก่อนแต่ถ้าเราเอาสติมาทรงเอาไว้ในการที่จะรักษาไม่ให้จิตของเราไหลไปทางอื่นเนี่ยนั้นก็เป็นสมาสติแค่นี้ก็ชื่อว่ า, ามักมีองค์แปดพร้อมมาเลยทีเดียวคือที่<อ>กล่าวถึงบ่อยก็เป็นเพราะว่าสอดคล้องกับเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนแต่สัมมาสังกปะเองจะ ปรากฏสัมมาอื่นตามมาถ้าหากว่าเราปฏิบัติใช่ทีนี้ว่าอมักอื่นๆ ก, ก็มาด้วยกันหมดอนะถ้าเราทําอันไหนอันหนึ่งมันก็จะอันหนึ่งก็จะก็เรียกว่าเกี่ยวเนื่องมาด้วยกันได้อนี้เป็นสัมมาสังกัปปะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะท่านผู้ชม ค, คะคือทีฉันสังเกตน ะ, นะคะว่าในการ อ, อย่างที่สนทนาเรื่องพุทโธจนะเนี่ยมักจะโน้มเอียงไปในทางที่เหมือนกับเหมือนกับ ปฏิบัติอย่างยิ่งยวดพูดถึงแต่แนวทางที่มันเกินความจําเป็นของปุถุชนธรรมดาไปหรือเปล่านะคะเช่นเราบอกเนี่ยปฏิบัติเดินตามมักมีองแปดอะไรเงี้ย<อ>เราพูดก้าวหน้าเกินไปนะคะสำหรับคนทั่ว<ค>ไป ค, คืออาจจะใช้ภาษาสูงไปหน่อยนะ<ค>ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าเอาคุณตื่นเช้ามาไปทํางานหาเงินนะคุณปฏิบัติตามศี่ห้าคุณกลับบ้านมาเอาเงินมาแบ่งพ่อแบ่งแม่นะเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีโอ้ยนั่นแหะคุณเดินตามมักแปแล้วนะ ไม่ด่าใครไม่ว่าใครเอา้าก็สมาธิิไงในการที่เราจะไปหาเลี้ยงชีพโดยชอบนี่เป็นสมาธิินะแล้วความเพียรในการที่คุณเอาไปใช้ในการลุกขึ้นแต่เช้าไปทํางานนั่นก็คือสมาวยมายามะน ะ, ะ, ะเพราะเราต้องละอกุศลใช่ไหมไแล้วไอ้กายวาจาอาชีวะเราก็บริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมสมาธิอะไรที่เกิดขึ้นมีสติในการที่จะรักษาให้เออเขาด่ากันว่าการโกงกันฉันไม่ทํานั่นเป็นสมาสมาธิละไอสมาสติละ ถ้าคุณตื่นเช้ามาคุณเป็นคนดีไปทำงานคุณเดินตามมรรคแปดแล้วคุณพูดง่ายๆเลยมาพูดง่ายๆเลยคุณเดินตามสัมมาเขาเรียกว่าโซดาปฏิมรคแล้วออแต่ถ้าหลุดนะคุณก็ยังไม่ได้นะแต่ถ้าคุณเดินตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆคุณจะได้โสดาปฏิผลนะในชาตินี้นะไม่ต้องรอชาติหน้าเอาใช่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อินทรีย์ของเรามาแข็งแกร่งแก่กล้าก่อนที่เราจะตายคุณจะได้โซดาปฏิมรคขอไปคุณจะได้โสดาปฏิผล แค่มีศีลห้ามีศรัทธาในพระพุทธศาันาพระสงค์นะคือคือมันมรรคมันจะรวมอยู่ในนี้อยู่แล้วนะถ้าเรามีศรัทธาคูมีเดินตามมรรคแเดินตามมรรคแง่ายๆเนี่ยนะแล้วเราก็ทําไปมากๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสั่งโยต์เราหมดเมื่อไหร่สาอย่างคุณเป็นโสดาปฏิผลทันทีค่ะติ้งๆเลยต้นฟังข้างหลายคงจะสบายใจมากขึ้นนะคะว่าโอ้โหไม่ใช่ว่ามาชวนหลุดออกจากกรุงจรของการเป็นปุถุชนธรรมดา แต่จริงๆแล้วอาจจะใช้สัพท์เทคนิคอย่างเป็นทางการเพราะว่าเราเกาะเอาพุทธวจนะมากเกินไปจึงทําให้รู้สึกเคร่งครับไม่ใช่ว่ามากเกินไปนันไม่ดีนะคะกำลังจะพูดว่าที่ทําให้ท่านรู้สึกอย่างนั้นเห็นแต่จริงๆแล้วถ้านพิบุนกันเลยทาให้เห็นว่าศัพ์เทคนิคยากๆนจริงๆแล้วท่านใช้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใช้ถ้อยคําที่ยาก <S <S ในชีวิตประจําวันของท่านนั่นเองวันนี้เราได้ความกระจ่างในระดับหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสนทนากับพระอาจารย์พบูลกันต่อกันแล้วกันนะคะ อนนีมัส ก, การขอบพระคุณท้าเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเชิพานระหวันงที่ครบคารายการสัมสนาสนทนานะคะท่านฟังอยู่ในขณะ น, นี้ที่ฉันสัสินาคงศ์ดำเนินารายการอยู่ทางสถานีวิทยุเอฟเอ็รอบครัวข่าวค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่นี่สาหรับที่จะให้ท่านขอหนังสือพุทธจนะเพื่อที่จะได้ไปอ่านประสูนกันให้อิ่มอกอิ่มใจแล้วไม่มีขายที่ไหนนั้น0 2น6์สองสอค่ะส่วนจะกลับเรียนาถามคําถามท่านไปบุญโดยตรงให้ตรงใจของท่านเลยก็ที่ piyothma.com/106 พรุ่งนี้เรามาพบกันต่อนะคะผู้ทว่าสวัสดีค่ะ